เราได้ฟังเรื่องปฏิบัติเบื้องต้นทำอย่างไรเราก็ได้ฝึกปฏิบัติมาตามนั้นแล้วจิตใจของเราก็สงบเป็นสมาธิเมื่อใจสงบเป็นสมาธิแล้ว ก็ต้องรู้ขึ้นไปอีกว่าสมาธิอย่างเดียวไม่พอต้องมีความรู้แจ้งเห็นจริงเกิดขึ้นซึ่งเรียกว่าวิปัสนาคือความรู้แจ้งเห็นจริงถูกต้องตามทํานองของธรรมของพุทธองค์วิปัสนาคือแยก แยกแยะตัวตนของเราออกเป็นชิ้นเป็นส่วนว่าส่วนไหนเป็นของเราหนังเป็นของเราไหมเนื้อเป็นของเราไหมเส้นเอ็นเป็นของเราไหมตับไตไส้พุงกระดูกทั้งหมดหลอดถึงตัวตนทั้งสิ้น ที่เราเห็นเป็นตัวตนอยู่นี้เมื่อแยกออกแล้วก็หาคำว่าตัวตนไม่เห็นมาไม่รู้ว่าจะเอาอันไหนเป็นตัวตนเอาหนังเป็นตัวตนก็ไม่ได้เอาเนื้อเป็นตัวตนก็ไม่ได้เอากระดูกเป็นตัวตนก็ไม่ได้ ให้เราพิจารณาลงไปว่าตัวของเรานี้ที่สุดแท้แล้วก็ไม่มีอะไรเลยเป็นเท่าเป็นฐานไม่มีอะไรเหลืออยู่ให้โลกนี่ได้ชื่นชมว่านี่แขนแขนก็ถูกไฟไหม้แล้วเผาแล้วเป็นฝุ่นแล้วขาก็เหมือนกันตัวตนร่างกายทั้งหลายทั้งปวงก็เหมือนกันให้เราพิจารณา ให้เห็นความจริงว่าการเกิดขึ้นก็เรานี่แหละเกิดแก่เรานี่แหละแกะ่ตายเรานี่แหละตายตัวตนอันนี้แหละเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปให้พี่ณาเห็น ล, ลงมาที่ตัวเราดูตัวตนของเราแยกแยะออกจากกันอย่าให้มันอยู่ด้วยกันอันไหนเป็นตัวตนของเรา เราจะพิจารณาว่าตัวตรงนี้แหละเป็นตัวตนของเราก็ไม่ได้จะว่าแขนเป็นตัวตนก็ไม่ได้แขนมันก็ไม่เที่ยงมันเป็นนาตามันไม่มีตัวตนที่เราจะเข้าไปยึดถือเอาได้ว่านี่ของเรานี่ของเราด้วยเหตุ น, นี้เราจึงต้องพิจารณาซ้าแล้วซ้าอีกว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ มันเป็นทุกเมื่อเป็นทุกแล้วเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตามันเป็นอนัตตาคือความไม่มีตัวตนที่แท้จริงให้พิณาเข้ามาที่ตัวเราไต่ต้องดูให้แท้จริงให้เห็นความจริงให้เห็นว่ามันเป็นอย่างนี้แหละ คือความไม่มีตัวตนนี่แหละแต่เราก็ยึดถือยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราเป็นตัวตนของเราเรายึดถือไม่ใช่ชาตินี้ชาติเดียวนะยึดถือมาหลายกับหลายกัลหลายพบหลายชาติแล้วเรายึดถือว่าตัวตนของเรานี่เราจึงต้องมาเกิดแล้วมาเกิดอีก เกิดแล้วเกิดดีเกิดแล้วเกิดดีไม่รู้จักจบจักสิ้นดูแต่น้ําในทะเลมหาสมุทรยังน้อยกว่าน้ํานมของมารดาดูสิน้านมของมารดาเนี่ยมันมากกว่าน้าทะเลมหาสมุทรที่เราเคยดื่มกินมาแต่แล้วพบระชาตินับรวมกันแล้วน้าทะเลมหาสมุทรทั้งสี่นี่ยังน้อยกว่า มากกว่าน้ำนมของมารดาของเราดูสินี่แหละเราควรจะเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายในการท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดเบื่อหน่ายในพบในชาติที่เราเกิดมาเกิดมาเราก็ไม่ได้ถือสมบัติอะไรมาด้วย มีแต่บุญกับบาปที่ตามมาไมไ่ถือสมบัติแก้แวแหวนเงินทองเข้าของอะไรมาด้วยเราไม่ได้ถือมาเรามาทำเอาใหม่สร้างเอาใหม่แสวงหาเอาใหม่บางคนก็รวยบางคนก็ไม่รวย คนที่รวยมากที่สุดคือคนที่ทาบุญมากคนทำบุญไว้น่ยแหละคือคนรวยคนไม่ได้ทำบุญไว้ก็คือคนจนเป็นคนจนเป็นคนอดยากเพราะไม่มีบุญไม่มีกุศลตายไปแล้วก็ไม่ได้ไปสวรรค์ไม่ได้มาเกิดเป็ น, นุษย์ต้องเป็นอย่างอื่นศาสต์อื่นไป เพราะบุญกุศลไม่มีทําไมไม่มีเพราะเราไม่ได้ทําบุญทํากุศลให้ทานไว้เราไม่บริจาคไว้เราก็เลยไม่ไม่ได้ส่วนที่เป็นของของเราจริงๆส่วนใครทําบุญไว้นั่นแหละคือคนรวยเกิดชาติไหนภพไหนก็ต้องรวยต้องไม่อดไม่อยาก ไม่อดเงินอดทองไม่อดข้าวของเครื่องกินของใช้อะไรต่งตางไม่อดเพราะอะไรเพราะเราทาบุญไว้ใครทำบุญไว้มากคนนั้นก็ได้มากใครทำบุญไว้น้อยคนนั้นก็ได้น้อยที่ไม่ได้เลยไม่มีถ้าด้ทำบุญไว้ต้องมีบุญบุญย่อมรักษาผู้ปฏิบัติผู้กระทา ต้องพิจารณาให้ชัดลงไปในตัวของเราว่าเราเกิดมานี่เกิดมาเพื่อสร้างความดีเกิดมาเพื่อทำความดีไม่ได้เกิดมาเพื่อประโยชน์อย่างอื่นเกิดมานี่ตั้งใจว่าจะมาทำความดีให้มากที่สุดทันทีจะมากได้ และตอนนี้เราได้ทาไว้หรื อ, อยังเราได้สร้างสมความดีไว้หรื อ, อยังเราได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรื อ, อยังถ้าเรายังต้องหาทางแล้วหาทางทำให้เกิดให้มีขึ้นแล้วอย่างที่เราทำอยู่นี่ก็เป็นการหาความดีให้กับตัวเองเป็นความดีที่ยิ่งใหญ่คือมรรคนิพพาน เราปฏิบัติเพื่อมากคนนี่ผ่านเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของกิจของเราเพื่อการไม่ต้องท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารให้มากคือให้น้อยลงจนไม่เกิดในพบใดภูมิใดเลยเรียกว่าเราถึงที่สุดของการปฏิบัติเราต้องพิจารณาลงไปว่าตัวเรานี้เกิดมาชาตินี้ อีกไปถึงร้อยปีเราก็ต้องตายไปแล้วความแก่งห่อมย่อมทุรักษ์ุเลมากเหมือนตาบอดข้ามฟากฝั่งคองหาไม้ไผ่ลำคานขับมากิริยาแสนทุรักษุเลแลถ้ามาอยากให้ทุรักษุเลมากต้องข้ามฟากเสือให้พ้นก่อนคนแก่ตอนตาบอดหูหนวกสะดวกแท้ ตรองให้แน่แต่เนิ่นๆรีบเดินเลยนี่ท่าพุทธทาสท่านว่าไว้เขาท่านท่านว่าไว้ว่ า, ว า, ว า, วาอย่ารอให้แก่ให้เท่าเส้อก่อนเราจึงมาทําความดีเราจึงมาปฏิบททัติธรรมเราจึงให้ทานเราจึงรักษาศีลเมื่อไหร่เราจะไปได้ล่ะแก่แล้วก็ลําบากนั่งนา น, น, า น, กนากๆก็เหนื่อยทําอะไรมากๆก็เหนื่อยอืม ลำบากหมดทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นเราต้องรีบทําคุณงามความดีไว้อย่าได้ท้อถอยโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ให้พิจารณาเข้าไปที่ตัวเหาให้ได้ว่าตัวเราไม่มีตัวตนที่แท้จริงสักอย่างหนังก็ไม่ใช่ตัวเราเนื้อก็ไม่ใช่ตัวเราเอ็นกระดูกก็ไม่ใช่ตัวเราเราอาศัยมันเท่านั้นเราอาศัยมันที่ยัง วิญญาณนั้นไม่ออกจากร่างเราอาศัยมันทําความดีเราอาศัยมันให้ทานเราอ า, อาศัยมันรักษาศีลอาศัยมันทําความเพียรภาวนาเรามานั่งอยู่เราอาศัยกายของเราละ่ะทําเพียรภาวนาใจของเราก็ละเอียดลงไปเรื่อยๆรมีมากมีผลเกิดขึ้นในใจเพราะฉะนั้นให้ตั้งใจปฏิบัติตั้งใจฝึกหัดตั้งใจอบรม บ, บ่มนิสัยของเราให้ดีให้มีความรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจธรรมของพระพุทธเจ้าว่าเรามีเกิดขึ้นในเบื้องต้นแก่อยู่ในท่ามกลางดับสลายตายไปในที่สุดนี่แหละให้พิจารณาเข้ามาที่ตัวเราตัวเราทุกคนนี่เกิดมาแล้วไม่ใช่ว่าจะไม่ตายไม่ถึงร้อยปีไม่ถึงพันปีหรอกอย่างดีที่สุดก็เจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบก็พอแรงแล้ว ที่ร้อยปีดีก็หาหายากแล้วทุกวันนี้นะ่ะนั่นแหละเราจะรอให้เราแก่ก่อนเราจึงจะมารู้อริยสัจสี่ไม่ใช่เราต้องรู้เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้แหละอริยสัจสี่ก็ไม่ใช่อยู่ตำราอยู่ที่ตัวของเรานี่เองทกุก็อยู่ที่ตัวของเรานี้เหตุให้เกิดทุกข์ก็อยู่ที่ตัวของเรานี้ ให้พิจารณาลงไปความดับทุกข์ก็อยู่ที่ตัวของเรานี้ทางให้ถึงความปฏิวัติให้ถึงความดับทุกข์ก็อยู่ที่ตัวเรานี่เหมือนกันสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเห็นอะไรก็เห็นอริยสัจสี่แเห็นชอบใครผู้เห็นชอบ ใจของเราเป็นผู้เห็นชอบนั่นใจของเราแหละผู้เห็นชอบเห็นตัวตนของเรานี่แหละชอบเห็นว่าทุกทุกคือความเกิดทุกคือความแก่ทุกคือความเจ็บ ทุกคือความตายทุกคือความพัดพลากทุกเพราะความปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่สมความมุ่ง ม, มา่ปรารถนานั่นที่จะณาลงมาสมาธิจิตขอบิณชอบกว่าเห็นทุกนี่แหละทุกเพราะความเกิดทุกเพราะความแก่ ทุกข์เพราะความเก็บทุกข์เพราะความตายทุกข์เพราะความเศร้าโศกเสยียใจพี่ไรยรำพันมันอยู่ที่ไหนล่ะใครลราเป็นผู้พี่ไรยรำพัน์ใครลรเป็นความนทุกข์ก็ ก, กายใจของเราเนี่ยเป็นทุกข์กายของเราก็เป็นทุกข์ใจของเราก็เป็นทุกข์อะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ตัณหาคือความอยาก ความอยากเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่มันไม่เป็นตามความตั้งใจมันก็เป็นทุกข์หรือเป็นตามความตั้งใจแล้วแต่มันก็เสื่อมไปสลายไปมันก็เป็นทุกข์นี่แหละให้พิจารณาลงมาที่ตัวเราให้พิจารณาให้เห็นชัด ให้จนปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นได้เราอย่ารอว่าเวลานี้เรายังหนุ่มอยู่เราไม่ต้องไปทํ า, าความภาโคบเบียนครับจําสินภาวนาปฏิบัติรมอะไรหรอกรออายุหกสิบเจ็ดสิบก่อนกเกษียณแล้วค่อยไปเราอยากคิดอย่างนั้นเพราะคนเราไม่แน่นอนว่าจะไปถึงห้าสิบหกสิบหรือไม่หรือจะถึงกเกษียณหรือไม่อันนี้ไม่แน่นอน ถ้าเรามีโอกาสใดเวลาใดเรารีบทําเลยอย่าไปรอว่าให้มันถึงตัวนั้นก่อนตัวนี้ก่อนต้องรีบทําเลยต้องรีบปฏิบัติต้องรีบบาเพ็ญกุณงาความดีก่อนที่เราจะแก่เท่าก่อนที่เราจะตายไปจากโลกนี้ต้องให้ทําต้องให้พิจารณาต้องให้เห็นชัดในอริยสัจสีคือสัมมาทิฏฐิทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์น สัมมาสังป่ะความดำีิชอบทางให้ถึงซึงความดับทุกข์เหมือนกันสัมมาวาจาเจราจาชอบสัมมารกรรมตะการงานชอบสัมมาจีวะเลี้ยงชีวิตชอบอันนี้ก็เป็นทางไปพระนิพานทางให้ถึงความดับทุกข์สัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอันนี้ก็ทางเป็นที่ไปให้ถึงความดับทุกข์ เราฝึกขัดอยู่เดียวนี่เราฝึกขัดให้จิตเราสงบและให้จิตเรารู้แจ้งในอัตภาพตัวตนของเราให้เราดูลงไปพิจารณาลงไปขาก็ดีแขนก็ดีเป็นของเราไหมตัวตนทั้งหมดนี้เป็นของเราไหมเราพิจารณาไปถึงคนที่ตายก่อนเราที่ตายไปแล้ว เอาอะไรไปไม่ได้เลยขาแขนเขาก็เผ า, าไฟทิกวดกระดูกกระเดี่ยวอะไรต่างๆเขาเผาไฟหมดเลยไม่เหลือเป็นเท่าเป็นฐานมดทุกคนเพราะนั้นจึงกล่าวเลยว่าคนทุกคนนี่ไม่หนีความตายไปได้เลยจะดีขนาดไหนจะวิเศษขนาดไหนก็ตามแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าของเราพระองค์ก็เสด็จดับขันปาริณีผ่าน เก็ตายเหมือนกันพูดง่ายว่าทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายแต่ว่าก่อนที่เราจะตายไปเนี่ยเราทำคุณธรรมให้เกิดขึ้นในใจแล้วแล้วหรือยังเราสามารถชำระ ก, กิตของเราให้บริสุทธิ์หรือยังเราทำจิตของเราให้ผ่องใสได้หรือยังถ้ายังเราต้องรีบเร่ง อย่ารอวันอย่ารอเวลาอย่ารอโอกาสนั้นโอกาสนี้เพราะว่าความไม่แน่นอนของการเกิดแก่เก็บตายนี่มันไม่แน่นอนเลยเก็บก็เหมือนกันบางทีก็โอ้ยถ้าอยู่ๆเอ๊ะทำไมเก็บท้องทาไมปวดท้องไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นมะเร็งตายก่อนเลยเมะเร็งตกใจตายอะไรบนี้ นึกว่าจะตายเพราะนั้นท่านให้พิจารณาว่าเรานี่จะต้องตายไม่ใช่ให้กลัวให้รู้ความจริงว่าเราจะต้องตายแน่นอนก่อนเราจะตายจากโรคนี้เราต้องทำมรคนให้เกิดขึ้นในใจของเราให้ได้มรคขเนี่ยเราทำให้เกิดให้มีขึ้นด้วยอย่างถ้ายัางไม่มีก็ให้รีบทำ ให้รีบทำมาร์กทำผลให้เกิดขึ้นให้หัดสมาธิให้ดีให้อยู่กับอารมณ์กรรมาฐานคืออานาปานสติถ้าจิตเราสงบดีแล้วเราน้อมเอาจิตที่สงบดีนั่นแหละไปพิจารณาตัวตนของเราพิจารณาถึงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตาอยู่ในตัวตวนอันนี้ สเสมอกันหมดไม่ว่าท่านจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายเหมือนกันหมดมีความเก็บเป็นธรรมดามีความเกิดเป็นธรรมดามีความแก่เป็นธรรมดามีความเก็บเป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาหมดเหมือนกันหมดเราต้องวาง วางความยึดถือตัวตัวนี้วางลงไปพูดง่ายทิ้งทิ้งความยึดความถื อ, อ น, นี้ไว้อั น, นอันนี้ให้ได้ทิ้งความยึดความถือให้ได้ให้วางลงไปให้ทําใจให้ปล่อยวาง ไม่ให้ถือรูปขันก็ไม่ให้ถือคือตัวตนอัตภาพตัวตนไม่ให้ถือว่าเป็นเราเป็นของของเราเวทนาคือความรับรู้ก็มไม่ให้ถือให้ปล่อยวางเหมือนกันสัญญาก็ไม่ให้ถือความจำได้หมายรู้เนี่ก็ไม่ให้ยึดถือ สังขารความคิดนึกปรงแต่งเราก็ไม่ไปยึดถือยึดถือเป็นอะไรยึดถือเป็นตัวตนนนะัอะเอามายึดถือวิญญาณคือความรู้สึกหรือความรู้ความรู้ทางตาความรู้ทางหูความรู้ทางจมูกความรู้ทางลินความรู้ทางกายความรู้ทางใจก็ไม่ให้ยึดถือไม่ให้ยึดถือเลย ให้วางมดเราถึงจะเป็นพระรบุคคลได้ถ้าเราไม่วางเรายึดถืออยู่ว่าเป็นเราเป็นของของเราอยู่ว่าเป็นตัวตนของเราอยู่มันก็ไม่ถึงมรรคผลแต่ถ้าเราพิจารณาว่าตัวตนอันนี้สักวันหนึ่งมันต้องแตกสลายตายไป ยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ตามประเสริฐเลิศล้นลขนาดไหนก็ตามก็เป็นไปอย่างนั้นเหมือนกันหมดพระราชามหากษัตริย์ทั้งหลายทั้งปวงพระ อ, องค์ก็ตายเหมือนกันตายเหมือนกับหมด พระสงฆ์องค์เจ้าที่เป็นพระราหารันพระเป็นเทระทั้งหลายที่เป็นพระราหารันมีรลวูมั่นเป็นต้นท่านก็ น, นิพพานเลยตายแล้วข้อมีเหลือแต่ลูกแต่หลานสืบทอดเกยตนารมในการปฏิบัติธรรมต่อมา ใส่ผ้าสีแก้มขนุนหลวงปู่มั่นพารรมาลูกหลานก็ทำตามไปเรื่อยๆ ร, รุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเลนแล้วทวนนี่ก็ทำตามที่หลวงปู่มั่นพาธทรมาพาปฏิบัติมาก็หัดสมาธิตามคําสอนพระพุทธเจ้า หัดนิพพสนาคือให้รู้แจ้งเห็นจริงให้เห็นเป็นอนัตตาให้เห็นเป็นทุกขังเป็นอนิจจงอนัตตาให้เห็นตัวเราเนี่ะให้ชัดเจนลงไปมีใครไหมที่อยู่ในโลกนี้ได้ตลอดพันปีในยุคเราสมัยเราไม่มีร้อยปีก็ทั้งยากอยู่แล้ว เราต้องเร่งเราต้องทำความดีให้ได้เราต้องปฏิบัติให้จิตเราบริสุทธิ์ก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไปพิจนาเข้าไปกายนี่เวทนานี่สัญญานี่สังขารเนี่ยวิญญาณเนี่ย เราควรยึดถือไว้ไหมเราควรเอาเป็นตัวเป็นตนได้ไหมไม่ได้เลยรูปก็เอาไว้ไม่ได้เวทนาก็เอาไม่ได้สัญญาก็เอาไม่ได้สังขารก็เอาไม่ได้วิญญาณก็เอาไม่ได้ถ้าพูดรวมอีกสิหนึ่งก็กายกับใจ รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปคงเป็นรูปเวทนาเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้เป็นนามตัวเราประกอบด้วยนามในรูปนามก็คือตั้งแต่เวทนานั่นแหละจะถึงวิญญาณนั่นแหละเรียกว่านามส่วนร่างกายธาตุสีนี้เป็นเป็นรูป รูปก็ดีเวทนาก็ดีสัญญาก็ดีสังขารก็ ด, ญญกดีวิญญาณก็ดีเป็นของที่จะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของสังขารหรือว่าความปูกแต่งเราตายปับ๊บวิญญาณออกจากร่างแล้วยึดถือเอาเป็นอะไรไม่ได้เดีวป่านี้ตัวตนก็ต้องเปื่อยเน่าไปเปื่อยเน่าผุพังไป เนื้อหนังมังสาก็เปื่อยเน่าไปเหมือนกันทวันทั้งเก้ามีแต่หมูนอนเอาไปไว้ป่าชาพี่ดีบสัก3าวัน7็ดวันอย่าพึ่งเผาอย่าพึ่งฝังหมูนอนทั้งหลายก็มาแรงวันไต่ตอมขี้ใสเรือว่าขี้ไขขางต่อมาก็เป็นหนอน นอนก็ไตออกไตเข้าอยู่ในทวารทั้งเก้านี่ตาทั้งสองหูทั้งสองปากหนึ่งนี่ทวารหนักทวารเบามีแต่หมูหนอนไตออกไตเข้าเราจะเอาได้ไหมเราจะยินดีไหม เราชอบไหมไม่มีใครชอบสักคนไม่มีใครเอามีแต่หมูนอนเต็มไปหมดเราจะยึดถือตรงไหนว่าเป็นของเราเมื่อวิญญาณออกจากร่างแล้วไม่มีมีแต่เขาจะฝังกับเผาท่านเองเขาไม่เอาไว้หรอก เนี่ยเป็นอย่างนี้ให้พิจณาเข้ามาเข้ามาที่ตัวเราน้อมกิดที่เป็นสมาธิแหละเข้ามาพิจณาว่าร่างกายนี่นอกอยากไม่มีค่าแล้วก็ยังเป็นสิ่งที่ต้องทิ้งเป็นขั้งสุดท้ายคือเผาทิ้งไปเลยเอาไว้ไม่ได้ มันเต็มไปด้วยความโุขโปกปฏิกูลโสโครกหน้าเบื่อหน่ายถ้าเราเห็นอาจเห็นทำแล้วเราก็จะรู้แจ้งในสิ่งเหล่านี้ว่าโอ้มิดถือเอาไม่ได้เอาเป็นของเราจริงๆไม่ได้เลยไม่มีอะไรจะเป็นสิ่งที่เราจะยึดถือเอาเป็นเราเป็นของเราได้เลยมีแต่ความเน่าความหมึนความสศกโกปฏิกูล ไม่อาบน้ำสามวันเจ็ดวันอยู่ใกล้กันไม่ได้ตายแล้วยิ่งอยู่ใกล้กันไม่ได้มันหมินมันเนา่าไปเอาไปไว้ป่าช้าผีดิบเ็วยิ่งมีนอนมีอะไรเต็มไปหมดเลยเราจะเอาส่วนไหนเป็นของเราก็เอาไม่ได้นีแต่ของเน่าของหมินขอ ง, ของสกปรกปฏิกูลเราต้องเผาทิ้งไปนี่แหละท่านจึงให้อย่าเพิกลืมตัว ว่าเราจะไม่เป็นอย่างนั้นวันเวลาไม่ได้บอกเราหรอกว่าเราจะตายวันไหนน่ะจะตายวันพุธวันจันทร์วันอังคารวันอาทิตย์อะไรต่างๆอืีวันทั้งเจ็ดนี่เราตายได้ตลอดตายภายในเจ็ดวันไม่นานเจ็ดวันอะไรวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันจุบวันเสาร์วันอาทิตย์ เราตายในนี่แหละในเกจวรนี่แหละแต่ว่าเวลาไหนอันนี้กําหนดไม่ได้มันถึงเวลาแล้วมันเป็นไปเองอยาดีปไหัก็ตามหมอดีปไหัก็ตามจะวิเศษขนาดไหนก็ตามพอถึงเวลาแล้วก็ต้องไปต้องไปสู่ พบภูมอันใหม่ถ้ามาเกิดอีกได้ร่างกายก็ไม่ใช่ว่าร่างกายอันเดิมก็เป็นร่างกายใหม่เป็นคนใหม่นั่นไม่ได้เป็นคนเก่าเหมือนเดิมต้องเป็นคนใหม่ต้องเป็นคนที่จะต้องทาความดีต่อไปอีกถ้าคบเพื่อนดีก็ดีไปคบเพื่อนชั่วกว็ชั่วไป นี่แหละให้พิจารณาให้ละเอียดละออให้ดีให้เห็นชัดอย่าให้มันฟุ้งซ่านไปให้ไม่เห็นความจริงในตัวตนของเราเนี่สวยไปไห น, นก็ตามท้ายที่สุดแล้วก็เน่าหมินเหมือนกันหมด อืมให้พิจารณาอย่างนี้พิจารณาเข้ามาที่ตัวตนของเราเนี่แหละไหลไปตามตัวตนนี่แหละตัวตวนอันนี้ร่างการนี้ไม่เที่ยงแท้แน่นอน เป็นของสขโสโครตปฏิกูลเป็นของไม่มีสาระแก่นสารอะไรเราจะยึดถือเอาตรงไหนมาเป็นเราเป็นของของเราเราก็ทำไม่ได้ไม่มีส่วนไหนที่จะเราจะเอาไปได้ต่อไปอีกซัห้าสิบปีข้างหน้าในี่พวกเราในขณะนี้อีกห้าสิบปีข้างหน้าก็กถึงแปดสิบเก้าสิบปีแล้ว จะมีอะไรอยู่ได้ล่ะไปกันแล้วไปกันหมดล่ะนี่แหละทำไมถึงพูดอย่างนี้หรือเทศอย่างนี้ก็เพื่อให้เกิดความสลดสังเวชให้เกิดความเบื่อหน่ายคลายความยินดีให้ถอนอุปทานคือความยึดมั่นถือมั่น จากตัวตนของเรานี่ให้ถอดความสำคัญมั่นหมายในตัวตนให้เห็นชัดในตัวตนมันนี่ว่าเป็นของที่จะต้องแตกสลายตายไปเหมือนหม้อดินนี่เป็นหม้อดินอยู่ถ้าหลุดล่นลงไปก็แตกแตกสลายต้องทิ้ง ใช้ไม่ได้ตัวตนของเราก็เหมือนกันเหมือนหม้อดินนี่แหละแตกสลายชราชรานะ่ว่าความแก่ความแก่ความง่อมความไม่สะดวกสบายในการยืนเดินนั่งนอนอะไรต่างๆเหมือนกันหมดคนที่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวนี่เวลาลุกขึ้นลุกขึ้นได้ทันที แต่คนอายุห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสบร้อยจะลุกขึ้นนี่ทันทีนี่ไม่ได้ต้องมีที่ค้ำที่ยันถึงลุกขึ้นได้เหมือนนางวิสาขากับลูกหลานสี่ร้อยคนลูกหลานของนางวิสาขาเนี่ยสี่ร้อยคนเราจะไม่รู้เลยว่าใครเป็นใครในนั้น นางวิสาขากับหลานครับลูกกับหลานเนี่ยเรามองดูไม่รู้เลยว่าเป็นใครใครเป็นนางวิสาขามันเหมือนกนหมดุดนางวิสาขาก็สวยจนแก่จนเท่าเราจะรู้ได้อย่างไนว่านางวิสาขาเป็นคนไหนเราดูตอนูกขึ้นเวลาลูกขึ้น คนอื่นลุกขึ้นได้เลยพวกสาวๆทั้งหลายนะลุกขึ้นทันทีลูกหลานนะลุกขึ้นทันทีแต่นางวิสาขานั้นสังเกตได้เลยว่าเวลาจะลุกเอามือค้ำซะก่อนถึงลุกได้นั่นพะคนอายุห้าสิบปีหกสปีเจดปี80ดิปีเก้าปีร้อยปีเวลาจะลุกลุกขึ้นไม่ได้ทันที ต้องมีที่ ย, ยึดที่ถือที่คําที่ยันเสียก่อนถึงลุกขึ้นได้นานมันเป็นอย่างนั้นความแก่ใครเป็นคนแก่ตัวเราเป็นคนแก่ใครเป็นคนเก็บตัวเราเป็นคนเก็บใครเป็นคนตาย ตัวเราเป็นคนตายขอื่นก็เหมือนกันเหมือนกับเราเนี่แหละมีความแก่ความตายเป็นที่สุดเหมือนกันต่อพิจนาเข้ามาพิจณาเข้ามาที่ตัวตนเห็นชัดเงาไปาความแก่งอมเนี่ยมันทำให้เสียเวลาทาความดี เราอย่าคิดว่าเรายังไม่แก่แล้วทำเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ใช่เั้นคุณทำ ม, มีได้กับทุกคนถ้าทำถูกทำเป็นแล้วก็สามารถบรรลุได้หมดทุกคนทำถูกทำเป็นได้หมดทุกคนมารคผลไม่ได้พ้นสมัยใครตั้งใจปฏิบัติคนนั้นก็ได้มารคได้ผลเหมือนกัน ไม่มีอะไรเป็นเครื่องห้ามว่าจะไม่ให้ใดมรรคผลยกเว้นพวกที่เป็นอนันตดียกรรมฆ่าบิดาฆ่ามารดาฆ่าพาราหารันทับสงให้แตกกันอย่างพระโลหิตของพุทธเจ้าให้ให้ห่อขึ้นมาอั น, นอนันตดียกรรมห้านี้ใครทำเข้าผิดเข้า มีโอกาสที่จะต้องไปคือนรกอย่างเดียวอเวกีมหารกอย่างเดียวนั่นต่อไปอเวกีมหาโลกส่วนนอกนั้นน่ปฏิบัติต้องในบรรลุมรรคผลต้องในบรรลุมรรคผล พระเจ้าเอาศาตศัตรูไปเฝ้าพระพุทธเจ้าในเวลากลางคืนพร้อมกับบริวารพระพุทธเจ้าเทศให้ฟังเรื่องสามัญญผลสตร ผ, ผู้ฟังทั้งหลายก็ได้บรรลุมรรคผลแต่พระเจ้าเอาชาติศัตรูข่าพระเจ้าพิพิสารผู้เป็นพระบิดา ไม่ได้บรรลุคุณธรรมอะไรเลยตายแล้วยังตกนลกแต่ไม่ถึงเอาวิจีมหาโลกเนื่องจากว่าได้ทำความดีไว้มากได้ไปขมาพระพุทธเจ้าไว้ด้วยขอขมาโทษพระพุทธเจ้าด้วยแล้วก็ได้ไปทำอะไรตัวอะไรที่ ว, ว่าสังคายนาก็เป็นผู้ประถับในการสังคายนาครั้งที่หนึ่ง แล้วก็วัดวารามต่างๆสถานที่ต่างๆก็ก็ได้ทำไว้หมดหลังจากพุทธเจ้าปรินิพานแล้วพระองค์ก็ทำเจดีย์ไว้ในที่ต่างๆมากมายแปดหมืนสี่พันคือมากมายนั่นเองจึงได้ไปตกนรกที่เรียกว่าโลหกุมพีนรก ก่อนที่จะมาถึงปากหม้อนะโรกนี่ก็หกหมื่นปีโผล่ขึ้นมาครั้งหนึ่งหกหมื่นปีจมลงไปถึงก้นหมอ้อหกหมืนปีก็โผล่ขึ้นมาตอนนี้ยังไม่ถึงหกหมืนปีพระเจ้าอาซสัตรูก็ยังอยู่ที่ก้นหม้อนะั่น ค, คือดำลงไปนี่ก็จนถึงกดหม้อนี่ก็หกมืนปีโผล่ขึ้นมาจะถึงพ้นปากหม้อนี่ก็หกมืนปีตอนนี้ยังไม่ถึงโหนปีเพิ่งได้สองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดปีเท่านั้นเองพระเจ้าสัตูก็ไหมอยางในนรกนั้นไม่รู้ว่าเมื่ อ, อไหร่ ไม่รู้ว่านานเท่าไหร่ถึงจะได้พ้นจากทุกข์เพราะทำกรรมไว้หนักมากไม่สามารถบรรลุมรรคผลได้ส่วนพวกเราทั้งหลายนี้ไม่ได้ทำบาปกรรมอันชั่วซาเลวสามอะไรไว้เลยฝึกปฏิบัติธรรมก็จะต้องได้ความสงบ อย่างน้อยที่สุดกิจของผู้นั้นก็ต้องสงบถ้าสงบแล้วพิจารณาย่อมรู้แจ้งเห็นจริงในตัวตนของเราย่อมรู้แจ้งเห็นจริงในตัวตนของเราย่อมเกิดความเบื่อหน่ายคลายความกินดีย่อมทำใจให้เบิกบานได้เหมือนดอกบัวที่ต้องแสงพระอาทิตย์ก็เบิกบาน จิตของเราได้ฟังธรรมคำสอนทางพุทธศาสนาจากตำลาคือพระไตรปิฎกหรือจากครูบาอาจารย์ผู้อบรมสั่งสอนกิตเราก็ต้องบรรลันรุมัรรคผลขึ้นไปเป็นพาลิยบุคคลโสดาบันเป็นพาลิยบุคคลชกิทาคามีเป็นพาลิยบุคคลอนาคามี เป็นพระอริยบุคคลคือราหารันต้องได้แน่นอนไม่ชั้นใดก็ชั้นหนึ่งที่เราปฏิบัติเราเห็นได้ด้วยตนเองเลยว่าเราวางได้เราวางความยึดมัน่นถือมั่นได้เราจะรู้เห็นด้วยตัวของเราเองเลยใจเราสบายหรือไม่สบายเรารู้ได้เราเห็นได้ใจสงบหรือไม่สงบเราก็เห็นได้ ใจฟุ้งซ่านวันไว้เราก็เห็นได้นี่เราเห็นเห็นชัดในการปฏิบัติของเราถึงจะไม่พยากรณ์ว่าฉันเป็นพระลาหนเออหรือเป็นพระอริยบุคคลรองลงมาเราก็รู้ได้เองเพาใจเราเป็นอย่างนี้วางได้อย่างนี้ความยึดความถือไม่มีในใจของเราอย่างนี้ ความโลภก็ดีความโกรธก็ดีความหลงก็ดีไม่ปรากฏว่ามีในหัวใจของเราเลยกระทบอารมณ์น้อยใหญ่จิตใจของเราก็เบิกบานแจ่มใสไม่สะทุกสะทานไม่หวั่นไหวไม่กระเทือนนี่แหละเป็นอย่างนี้ขอให้ตั้งใจปฏิบัติบำเพ็ญคุณงามความดีให้สูงขึ้น โดยการพิจารณาตัวตนของเราพินาเห็นเป็นความไม่เที่ยงก็ได้พินาเห็นเป็นความทุกข์ก็ได้พิจารณาความเห็นให้เห็นเป็นอนัตตก็ได้พินาเป็นอสุภะก็ได้ตัวตนของเราเป็นอสุภะเป็นของสกุลบ <x> e 네ัิกูลตัวของคนอื่นเป็นของสกุกปฏิกูลกใอยพิจารณาลงไป เราก็จะเห็นชัดขึ้นมาจนวางได้วางได้แล้วก็ถือว่าแล้วไปไม่ใช่มาวางอีกมันวางได้แล้วมันก็ถึงแล้วขอให้วางได้ถ้าวางได้ปั๊บต่นนั้นแหละมันถึงามทันทีวางขันห้าเนี่ยวางรูปวางนามเนี่ยถ้าเราวางได้ปั๊บมันแจ่มใสขึ้นมาเลยมันละเอียดขึ้นมาเลยมันสบายขึ้นมาเลย มันดีขึ้นมาในใจของเราเลยทําอะไรอยู่ก็ดีทําอะไรอยู่ก็สบายจิตใจสบายจิตใจเบิกบานจิตใจแจ่มใสเพราะฉะนั้นคนถึงนิยมปฏิบัติธรรมกันไปต่างประเทศก็ปฏิบัติธรรมอยู่ในประเทศก็ปฏิบัติธรรมอยู่ในบ้านในเรือนเราก็ปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดเราก็ปฏิบัติธรรมคือหัดทําใจให้สงบหัดจับใจให้รู้แจ้ง เมื่อรู้แจ้งแล้วก็วางขันความยึดถื อ, อนนี้ตัวตนอันนี้ได้ปล่อยวางได้ถึงความสุขความเจริญได้ขอให้ตั้งใจปฏิบัติให้พิจารณาให้เป็นพิจารณาเป็นธาตุเป็นขันเป็นอายตนะไม่มีอะไรที่เราจะเข้าไปยึดถือเอาได้ไม่มีอะไรที่เราจะเข้าไปหลง ว่านี่ตัวของเราจะต้องไม่แก่ไม่ตายอะไรต่างๆเหล่านี้เราต้องพิจารณาต้องพิจารณาเข้ามาที่ตัวเราถ้ามันไม่ชัดต้องพิจารณาถึงคนอื่นเพราะคนอื่นเขาเป็นอย่างนั้นตัวเราก็ไม่ต่างกับเขาจะต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกันคือตายเหมือนกันหมดเป็นการแก้กิจที่ยังหลงยึดถืออยู่ ให้ปล่อยวางได้ให้ทำใจสบายได้นี่แหละขอให้ตั้งใจปฏิบัติอย่าถอยสองสาวันเราปฏิบัติมาเราก็จะเห็นแล้วว่ากี่เราสงบแต่วันนี้ทำจิตให้รู้แจ้งเห็นจริงเพื่อให้นี้จะ ก, กองทุกได้คือให้ัรรู้มรคผลให้สามารถนำตนให้พ้นจากกองทุก คือการเวียน่ายตายเกิดในวัฏสงสารอันนี้ไม่ให้หลงอยู่ไม่ให้อยู่ในวัฏวลเหมือนอาตมาเมื่อสวัยยังหนุม่มอยู่ที่วัดหินหมากเป้งกับหลวงปูเทศอาตมาสันเช้าเสร็จไม่ได้ไปทำภารกิจอะไรยกยามห้องปู่ไปตามไปส่งถึงกุฏิแล้วก็ ลากลับจากนั้นก็เดินเข้าป่าเพราะมีทางจงกรมอยู่ในป่าก็เดินเลยเดินจงกรมเนี่ยเดินตั้งแต่แปดโมงเก้าโมงไปจนถึงสิบเอ็ดโมงจึงหยุดทุกวันตอนบ่ายก็บ่ายโมงโก็ลงเดินจงกรมต่อเพราะเดินจงกรมแล้วกิจสงบใจสบายนึกว่าบรรลุเป็นพระอริยะบุคคลแล้ว นึกว่าจะของเอ้ยเราคงได้เป็นสดาบันแล้วมัในแบบนี้วะน่าจะเป็นสดาบันแหละใจมันสบายเหลือเกินคือใจมันเป็นสมาธิเราไม่รู้จักตั้งใจจะไปถามหลวงปู่ตังใจว่าจะถามว่าผมได้สดาบันหรื อ, อยังหลวงปู่พอเข้าไปยังยังไม่ได้ยังไม่ได้ถามเลยเรากลาบมั๊มั๊บปัป๊บลงสามครั้ง หลวงปู่ก็ยกพัดลมมาตั้งคึกให้เราให้เราเสริมเย็นพอเรามองเห็นพัดลมมันหมุนอยู่เราก็รู้ได้ทันทีเลยว่าโอ้วัตตะสงสารของเรายังหมุนอยู่เรายังไม่ได้บรรลุมากผลก็ลึกรู้ในใจขึ้นมาอย่างดีหลวงปู่ก็ถามมามาอะไรมีอะไรที่จะต้องทำ ก็บอกรบวกก็ผมตั้งใจมากราบลุงผูแต่ไม่ได้บอกท่านว่าตั้งใจจะมาถามปัญหาว่าผมได้เป็นโซดาบันหรื อ, อยังเราเห็นพัดลมเราก็รู้แก้งขึ้นมาเลยว่าสว่างวาบขึ้นมาวตาตาสงสารของเรายังไม่สิ้นสุดเรายังไม่ได้เป็นพระโซดาบันเรายังได้เป็นพระสกีทาคายังไม่ได้เป็นพระนาคายังไม่ได้เป็นพระลรหันวตาของเรายังบุนอยู่ เห็นพัดลมมันหมุนอยู <h <h <h <h ums> <h ums> <h ่เราก็นึกขึ้นได้ท yup> ันทีเลยเราผูกูหอแล้วฮึมฮ่มนน่ะถ้ามันหลุดออกจากใจเราได้น่ะมันสว่างสวัยเจียมจ้าขึ้นมาในใจของเราถ้าเราปฏิบัติถึงแล้วน่ะมันรู้ชัดมันรู้จริง มันรู้แจ้งมันไม่ติดมันไม่ยึดไม่สําคัญมันหมายในตัวตนไม่สําคัญมันหมายในอัตภาพอันนี้ว่าเราเป็นของของเราเอตักมมะนี่เป็นเราเอโซหามัตสมัมินี่เป็นของของเราไม่มีในใจเราเลยมันไม่มีในใจของเรา อันนี้เป็นเราอันนี้เป็นของของเรามันไม่มีในใจของเรามันวางวางความยึดความถือได้หมดมันไม่มีอะไรมันมีแต่ความว่างเปล่าจากตัวตนหรือควรยึดความถือเอาไว้ว่าเราส่วนนี้เป็นของเราส่วนนี้เป็นของเรามันวางในหมด มันไม่ยึดไม่ถืออะไรเลยนี่แหละให้พิจารณาที่หนาเข้ามาที่ตัวตนของเรานี่แหละจะเอาสุภาพก็ได้ยี่ความไม่สวยไม่งามจะเอาความไม่เที่ยงก็ได้ จะเอาเป็นขันห้าก็ได้รูปนามรูปนามให้พิจารณาลงไปให้เห็นชัดให้รู้แจ้งให้ปล่อยวางให้ทิ้ง คำว่าทิ้งไม่ใช่ไม่อาบน้ําไม่แต่งตัวไม่อะไรไม่ใช่งั้นทิ้งคือเราไม่เข้าไปยึดถือสําคัญมั่นหมายว่าตัวตนของเราไม่สําคัญมั่นหมายเอาน้ํามาลวกเอาน้ํำมาเทใส่มันก็ยังรอดอยู่แหละเก็บอยู่ขนาดนั่งอยู่เรายังเก็บขาเลยจะว่ามันเป็นของเราได้ไงมันก็เป็นส่วนที่เราเป็นตามสมมุติโลก แต่บัญญัติธรรมของพระพุทธเจ้านี่มันไม่มีอะไรเป็นตัวตนของเราแยกออกแยกให้มันออกอย่างนี้ถ้าตามสมมุติโลกมันก็ต้องเป็นตัวตนของเรานั่นแหละสมมุติโลกแหละโลกว่ากันเรียกกันร้องกันว่าเออนี่ตัวตนนี่ชายนี่หญิงนี่คนนั้นคนนี้อันนี้สมมุติโลกเรานั่งอยู่เราก็ปวดแข้งปวดขา พอเรามีกี่วิญญาณอยู่รับรู้ได้อยู่เลือดลมมันเดินไม่สะดวกมันก็ต้องเก็บแข้งเก็บขาหรือนั่งทับมันนานๆมันก็ต้องเก็บต้องปวดเป็นธรรมดามันเป็นของมัน น, นั่นแหละอันนีส้สมมุติโลกอ น, นี่แต่บัญญัติธรรมพรธเจ้ามันไม่มีมันไม่มีตัวตนมันไม่มีอะไรที่เราจะเข้าไปยึดถือเอาได้ เราจะยึดถืออาว่าส่วนนี้แหละตัวของเราส่วนนี้แหละตัวของเราเราก็ยึดเอาไม่ได้พอไปยึดก็ทุกขขึ้นมาทันทีเลยก็เห็นทุกข์กขึ้นมาเลยเป็นทุกข์ขึ้นมาเลยนั่นถ้าเราชำระความอยากความมีความเป็นของเราออกได้หมดเราก็สว่างสวยเห็นแก้งเห็นจริงเห็นชัดไม่ติดขัด ไม่ไปหลงยึดหลงถือเอาจนลืมตาไม่ขึ้นอะไรเงี้ยหลอกมากๆอันนั้นก็ต้องท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปพระพุทธเจ้าองค์นี้ตัดสอนไม่ได้ก็ปล่อยพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปมาสอนพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปสอนไม่ได้ ก็ต่อให้ก็ให้พระพุทธเจ้าองค์ต่อไปเข้ามาสอนพระพุทธเจ้าตัดสู้มากี่พระองค์เราก็ทราบไม่ได้เพราะเราเลลึกชาติหนหลังไม่ได้แต่ถ้าเราระลึกชาติหนหลังได้เราจะเห็นว่าเรานี่ผ่านพระพุทธเจ้ามาตั้งหลายพระองค์แล้วตั้งแต่พระทีปังกรพุทธเจ้า พระปิยทัตสีพุทธเจ้าพระวิปัสสีพระพุทธเจ้าพระกากูสันโธพุทธเจ้าพระโกนาคามนมพุทธเจ้าพระกัสโปพุทธเจ้าพระโคตโมพระพุทธเจ้าเราเพึงรู้จักวิธีปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าตรัสรูมากี่พระองค์แล้วหลายสิบหลายร้อยพระองค์ เราก็ยังไม่หลุดพ้นเรายังต้องเวียนไหว้ตายเกิดในวัตถุสารอยู่เพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ปฏิบททัติธรรมเราก็ได้มหัดสมาธิจากไม่ใช่จาก พ, าากพาาระ พ, พุทธเจ้าจากครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้ามาก่อนเราก็ได้รับการอบรม เราได้รับการแนะนำเราเกิดศรัทธาเลื่อมใสนี่พอเกิดศรัทธาแล้วปัญญาก็ต้องเกิดปัญญาเกิดเห็นแก้งเห็นจริงว่าการทำอย่างนี้แหละจะทำให้เราหนีจากกองทุกได้เรารู้ชัดในใจใจเราวางเราก็เป็นพระสวดาบเราเป็นพระสกิทาขามีเราเป็นพระนาคามี เราเป็นพระอรหันต์ไม่ต้องกลับมาเกิดในภพไหนภูมิไหนอีกต่อไปหมายถึงเป็นพระอรหันต์แล้วไม่กลับมาเกิดในภพไหนภูมิไหนอีกกรรมดีกรรมชั่วก็ให้ผลในอีกไม่ได้แล้วล่างนี้เป็นล่างสุดท้ายกายนี้เป็นกายสุดท้ายนี่ให้เราปฏิบัติตามคาสอนของพระพุทธเจ้าให้ได้ ให้ตั้งใจเราผ่านพระพุทธเจ้ามาหลายพระองค์แล้วแต่เราก็ไม่หลุดพ้นเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมหรือปฏิบัติธรรมอยู่แต่ทำน้อยทำยังไม่ถูกก็ยังไม่บรรลุเราเกิดมากี่หมื่นชาติกี่แสนชาติแล้วเราก็รู้ไม่ได้เรานับไม่ได้เลยว่าเรา เกิดมากี่กับกี่กันแล้วดูแต่กองกระดูกที่ท่านมหาภัยบูนอ่านให้ฟังนะ่ยกองกระดูกของคนที่ตายแล้วคนคนเดียวเอามารวมกันไว้กองเท่าภูเขาไบบูนบรรพศ์คือภูเขาที่อยู่ข้างๆกันก่อนที่เราจะขึ้นไปภูเขาคิตกูดนั่นแหละภูเขาใบบูลบรรพศ์ กองกระดูกของเรามากมายปับ น, นั้นแหละที่เราท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรายังไม่พ้นทุกข์เลยเราไม่ได้ไปพระนิพพานเลยเรายังมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เราอะไรเจ้าอะไรเป็นที่พึ่งที่ลึก เราต้องปฏิบัติยากวานไหนก็อดทนเอาให้มันผ่านพ้นไปไม่ถึงพระรหันต์ก็ให้มันได้โสราบันไว้มันก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลยมันดีกว่าดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนั่นแหละขอให้ตั้งกจปฏิบตัติต่อไป ยาท้อถอย